ย่นักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้มีอุดมคติอย่างไรต้องจริงจนให้ถึงอุดมคตินั้นให้ได้มิฉะนั้นจะเป็นการจับปิดามารดาใส่ลงไปในนรกโดยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นทีนี้เมื่อจะต้องการประพฤติรมข้อไหนแม้จะทําให้ใจมีจิตว่างไม่วุ่นก็ต้องจริงต้องมองเห็นอุดมคติของจิตว่าง และอุทิตการประพฤติกระทาให้มีจิตสูงว่างแล้วก็ทำให้จริงอย่างวิเศษไปหมดอย่างนี้เรียกว่าความจริงใจข้อสองธรรมะทำไมต้องมีข้อที่สองที่เรียกว่าธรรมะคือการบังคับตัวเองนี้ก็เพราะว่าความจริงใจนี้ ถ้าเราไม่ควบคุมบังคับไว้เดี๋ยวมันถลหลที่แรกตั้งใจว่าจะทำจริงสัญญาสาบานด้วยซ้าไปแต่แล้วเมื่อไม่มีการบังคับตัวเองแล้วมันก็ถลหลมันเปลี่ยนเป็นไม่จริงเพราะฉะนั้นมันต้องมีการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองรักษาอุดมคติน้ไว้ให้ได้ซึ่งเรียกว่าธรรมะยอมทนบังคับตัวเองให้ได้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 ท่านมีวิธีรู้จักระบายออกอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ให้ไม่ต้องทนมากนี้ท่านเรียกว่าจารค่ะซึ่งเป็นธรรมะข้อต่อไปข้อสี่จารคะแปล ว, ว่าสละสละอะไรก็สละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตัวเราเช่นความขี้เหนียวเราต้องสละออกไปเป็นการให้ทาน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 มีสันโดษในสิ่งต่างๆได้ทำอะไรได้สำเร็จในทางที่น่าชื่นใจ